บัณนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธาชนทั้งหลายสืบต่อไปธรรมะปฏิบัติในส่วนของอายตนาปภ ะ, ะคือหมวดที่ทรงยกเอาอยายตนภายในและอยายตนภายนอกเข้ามาเป็นเครื่องมือในการสอนนั้นมุ่งเน้นให้ผู้ศึกษาและปฏิบัติธรรมะ มองดูจิตใจของตนในขณะนั้ น, น, นคือยามประสบอารมณ์ที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสไม่ว่าจะเห็นรูปด้วยตาได้ยินเสียงด้วยหูเป็นต้นก็ตามก็ดูว่าในขณะนั้นกิเลสข้ใดข้อหนึ่งได้เกิดขึ้นภายในจิตใจหรือไม่และกิเลสที่ทรงยกขึ้นมาสอนในที่นี้เน้นไปที่กิเลสระดับสังโยชน์ คือเลืที่ค่อนข้างละเอียดตามปกติแล้วเขาก็ตกตะกอนอยู่ภายในใจจะเกิดขึ้นกุ้มรุมใจได้สองวิธีวิธีแรกก็คือการเหนียวนึกจดนึกถึงอารมณ์ที่จะเพิ่มกิเลสวิธีที่สองก็คือมีตัวกระตุ้นมาจากข้างนอกด้วยการเนรูปวังเสียงเป็นต้น ว่าในกรณีนี้ก็ส่งสอนให้ดูว่ามีนิวรณ์อใดข้ดขหนึ่งเกิดขึ้นมีสังโยชน์ข้อใดข้หนึ่งเกิดขึ้นหรือไม่สังโยชน์ข้อแรกก็คือสักกายติทิแต่แก่ความเห็นเป็ น, นถือตัวถือตนคือเราถือเขาคือเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาเป็นอาการกิเลสประเภทโมหะ คือเข้าใจว่ามีตัวมีตนมีเราไม่เขาที่พวกเราพวกเขาที่จริงมันก็เริ่มมาจากการเข้าใจว่ามีตัวตนลักษณะความคิดเหล่านี้พิงสังเกตว่าเป็นกิเลสตัวหลักที่ทรงเน้นไว้ในที่ต่างๆเป็นมากจะในการเจริญพิปัญนาก ร, รมฐานก็มุ่งแตยถ่ายถอนกิเลสสามกองใหญ่ เรียกว่าความรู้สึกว่าเป็นของเราว่าเป็นเราว่าเป็นตัวตนของเราความรู้สึกว่าเป็นของเรานั้นเป็นอาการของกิเลสประเภทโลภะความรู้สึกว่าเป็นเราและเป็นตัวตนของเราเป็นกิเลสประเภทโมหะแต่พวกนี้ก็พร้อมที่จะเป็นโทสะตามสงกดรดกิลักษณะของอารมณ์ที่มากระทบ ในความคิดฐายนี้ส่วนใหญ่แล้วชาวโลกก็จะมองไปในแนวนี้ไม่ความเข้าใจว่าตัวตนนั้นมีแหล่งเป็นที่มาอาจจะเรียกว่าพระพรหมบ้างพระประมาตมันบ้างพระผู้เป็นเจ้าบ้างแล้วก็มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป ตัวตนที่แยกมานั้นแยกมาด้วยความเชื่อในสายต่างๆแต่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วถึงจุดหนึ่งคนก็จะกลับไปอยู่รวมกับสิ่งสูงสุดเหล่านั้นจะอยู่ในฐานะเปนน็นหนึ่งเดียวกันอยู่ในฐานะผู้รับใช้อยู่ในฐานะเป็นบริวารอยู่ในฐานะเป็นลูกหรืออะไรก็แล้วแต่ก็นํามาสั่งสอนกันก็ แ, แสดงว่าตัวเองนั้นเป็นของเที่ยงแท้แน่ น, นอน ลักษณะความคิดเหล่านี้ที่กระจายตัวเองออกมาในลักษณะต่างๆจนกลายเป็นความประมาทในวัยในชีวิตในความไม่มีโรกจึงจะเห็นว่าเมื่อเรามองดูลึกๆแล้วก็คือการเข้าใจว่าเรานั้นจะยั่งยืนถาวรไม่แปรผันแต่าจากความคิดเหล่านี้เองจึงมีการปฏิเสธ ความแก่วความเจ็บความตายด้วยการพลัดพรากทั้งหลายมันก็อยู่ในแวดวงของความเป็นเราเป็นของเราแต่เนื่องจากเป็นกิเลสประเภทโมหะเพราะเราก็จริงแล้วก็ไม่ไม่มีเหตุมีผลอะไรเช่งความรู้สึกเป็นเราเป็นของเรานั้นเราจะเห็นว่ามันเกิดขึ้นจากใจเราปรุงขึ้นมาเอง มีการกำหนดมีการแบ่งแยกบางครั้งก็เกิดการแบ่งแยกโดยความเชื่อทางศาสนาเช่นกำหนดให้คนศาสนาของตัวเองเป็นสัตว์เป็นพวกที่ถูกต้องพวกที่ไม่นับถือศาสนาอย่างตัวเองก็เป็นพวกนอกดีแล้วก็มีการเบียดเบียนประทุษรายกันกรู้แล้วคล้ายๆก็ไปแต่งตั้งให้คนอื่นเป็นคนเลวเป็นคนดี โดยใสยความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักซึ่งเราจะเห็นได้ชัดว่าในจุดนี้มันก็ผิดหลักคำสอนในพุทธศาสนาและผิดคำสอนที่เป็นเรื่องของความจริงที่แท้จริงเพราะในแง่ของความเป็นจริงแล้วคนเราจะเป็นคนดีหรือเป็นคนเลวไม่ใช่เพราะการแต่งตั้งของใครแต่มันเกิดขึ้นจากการกระทาของบุคคลผู้นั้น อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในกระบวนการของกรรมให้มีการสวดสาทยายกันว่าคนเรา จ, จะทํากรรมอะไดไว้ก็ตามดีหรือชั่วก็ตามว่าจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นก็ทําทดีก็ก็ได้ทดําดีก็ได้เป็นคนดีได้มีความสุขความเจริญทําชั่วก็ก็ได้ทําชั่วก็ไ ด, ได้เป็นคนชั่วก็รับความทุกความเดือดร้อนความเสื่อมในด้านต่างๆ แม้แต่คนจะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์มันก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวคนนั้นคือไม่ใช่เรื่องการแต่งตั้งหรือประสิตประสาแต่ภายนอกอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าสุทธิอสุทธิปัจจตางนั้นโยอันอย่างวิโสทเยคนจะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์นั้นเป็นเรื่องเฉพาะตัวเขาคนอีกคนหนึ่งจะทําอีกคนหนึ่งให้บริสุทธิ์นั้นเป็นไปไม่ได้แต่จาก ความเห็นที่เป็นลักษณะของสักกายทิฐิที่เรียกความเห็นเป็นเหตุมีตัวมีตน ม, มีเรามีเขาเป็นพวกเราพวกเขาส่วนใหญ่แล้วมันจะเกิดขึ้นจากการกําหนดคือการคล้ายๆกับการแต่งตั้งแต่ถ้าเรามองดูแนวปัจจุบันในค่อนข้างชัดคือเหมือนการปลุกเสกหรือการโฆษณาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในเรื่องจริงต่างๆหรือการปลุกเสกเครื่องรางของขลังขึ้นมาต่างๆ ถูกสิ่งเหล่านั้นถูกกาหนดให้ดีไม่ดีโดยการโฆษณาประชาสัมพันธ์แล้วก็มีคนก็ยอมรับแล้วก็เชื่อถือสิ่งนั้นก็กลายเป็นดีไม่ดีครั้งไม่ครั้งศักดิ์สิทธิ์ไม่ศักดิ์สิทธิ์แทนที่จะดีโดยลําพังมันก็เกิดขึ้นจากการปลุกเสกเอาซึงวิธีการเหล่านี้มันก็ขัดกับหลักแรงที่กล่าวไว้ในตอนตอน้นเพราะแนวสกากยะจึงเป็นแนวที่มีปัญหา หมายความว่ามันก่อให้เกิดการแบ่งแยกโดยใช้อารมณ์ผู้แบ่งแยกเป็นเกณฑ์ในการกําหนดแทนที่จะอาศัยการกระทําของบุคคลแต่ละคนเป็นตัวแบ่งแยกเพราะในแง่ความจริงอย่างที่เราได้ยินได้ฟังพระพุทธดําระติสัตย์ไว้ว่ากำมังสเตวิพัชติยดีดังอินาปณีตตายะการกระทําจะเป็นตัวจําแนกแบ่งแยกให้คนเลวและคน ประนีตแตกต่างกันหมายความให้คนดีและคนเลวเนี่ยก็ดูที่การกระทําของเขาแล้วว่าที่จริงคนเราก็เป็นกันแต่ละขณาจะยกตัวอย่างว่าเราไปยืนในที่ใดที่หนึ่งเรายกมือไหว้ผู้ใหญ่ในขณะนั้นเราก็เป็นคนดีแล้วเราไม่พอใจคนคนหนึ่งก็ต่อยโคลมลงไปในขณะนั้นเราก็เป็นคนชั่วเพราะการทําดีทําชั่วจริงๆก็เกิดขึ้นจากการกระทําของเขาคือการไหว้และการต่อยของเขาในขณะนั้นนั้น ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นจากการแต่งตั้งหรือการมอบหมายของใครอย่างไรแต่จากจุดนี้เองที่ก่อให้เกิดความแบ่งแยกขึ้นมาในลักษณะต่างๆที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าไปมองตัวเองว่าเป็นผู้จีเที่ยงแท้แน่นอนคล้ายๆเราจะอยู่คาฟ้าก็ อ, อยู่ตลอดไปจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการแปรปรวนไปแต่ประการใด ที่เป็นเหตุประมาทในชีวิตแม้จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวบุคคลข่าวกราวเพื่อนฝูงอยาติวงพงสาต่างๆที่ล้มหายตายจากไปแทนที่การพลาดพราดการล้มตายกับบุคคลเหล่านั้นจะเป็นอนุสติคือเตือนใจให้ตระหนักว่าแม้เราเองก็จะเป็นอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้แต่ว่าใจมันไปคิด ว่าตัวเองเป็นของเจียงเป็นของยั่งยืนไม่แปรผันอย่างน้อยก็ไม่ตายในขณะนั้นนั้นแต่ความประมาทมันก็เกิดขึด้นแต่จากจุดนี้เองท่านสาชนทั้งหลายจะเห็นได้ว่าพื้นฐานความเป็นพุทธศาสนิาชนว่าที่จริงก็พื้นฐานความเป็นคนทั้งหลายในโลกนะเนื่องจากมันมีแนวของสกากยญาติอยู่ คความเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาอยู่ใจมันไม่มั่นคงในสี่เรื่องให ญ, ใหญ่เรื่องแรกก็คือความศรัทธาเลื่อมใสที่มีอยู่ต่อพระรัตนตรยัยนั่นไม่มั่นคงเขาเรียกว่ามีศรัทธาที่เลื่อนลอยมีความเลื่อมใสที่เลื่อนลอยมีความคิดที่ค่อนข้างจับจด คือในขณะที่เราพดทาังทะมังทนังสังขังสานังกชามีกันอยู่เนี่ยเราก็มีการนับถือสิ่งต่างๆอีกเป็นนันมากบางทีก็ยกย่องแต่งตั้งไว้ในฐานะทัดเทียมกับพระพุทธเจา้าประธรรมประสงในจากจุดนี้เองพระอาจารย์ในทั้งหลายในอนดีตท่านจึงเน้นที่พุทธานุสติไว้พากเพื่อบุคคลได้พยายามลำลึกถึงคุณของพระพุทธเจา้า แต่ถ้าเราจะเดิญพระพุทธคุณถ้าเดินไม่ได้จริงๆหมายความมาในระดับของการสวดสาธยาระดับของการนําพุทธคุณมาภาวนาระดับของการนํามาเหนี่ยวนึกระดับการน้อมนำเอาพระพุทธคุณมาเป็นแนวในการประฤติปฏิบัติการยึดถือด้วยอำนาจของทิฏฐิว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นขอมพวกเราพวกขอ้อมันก็ลดลงไป เพราะไรเพราะว่าเมื่อปัญญาบังเกิดขึ้นมันทําหน้าที่กระจัดกิเลสสายนี้คือกิเลสสายสายโมหะในตอนต้นที่จริงปัญญานั้นก็กระจัดกิเลสทุกสายคือทั้งโลภะโทสะโมหะแต่มันกระจัดที่ตัวโมหะไปก่อนมันก็จะทําให้เกิดความเข้าใจว่าที่จริงมันไม่มีความเป็นเราเป็นเขาที่จริงแล้วโดยหลักจริงๆแล้วเนี่ยแม้แต่ว่าตัวตนมันยังไม่มีเลย ที่ท่านบอกเป็นนิสสตโตคือไม่ใช่สัตว์นิจชีโขคือไม่ใช่ชีวะสุญโยคือว่างเปล่าคือเอาก็จริงมันไม่มีอะไรแต่เป็นความจริงที่แท้จริงคือความจริงขั้นขั้นปรมัดอ่ะเราจะเห็นว่าเอาจริงๆมันก็ไม่มีอะไรแต่อย่างน้อยที่สุดก็จะบรรเทาความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาลงไปได้ มองคนมองสัตว์ทั้งหลายในแง่ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันมองในแง่สะเพศสัสตาได้กิเลสานิมก็บรรเทาลงอีกประการหนึ่งก็คือเมตตาการเจริญเมตตาเมื่อกังคมของสัตว์โลกสังคมของมนุษย์เรา่มีความรุนแรงมันสืบเนื่องมาจากความเป็นเราเป็นเขาดังกล่าวนั่นเองจึงมีการปกป้องพวกของเราแล้วก็ มีการพยายามห้ามพันเบยดเบียนขัดขวางประทุษร้ายทำลายล้มล้างออคนที่ตรงกันข้ามกับเราก็แล้วแต่วิธีการแต่ว่าความว่ามีการกีดกันค น, คนที่เราเมตตาไม่ได้ก็คือคนที่เรามีความรู้สึกไม่ใช่พวกเราไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราแนละ้วเมตตาจะเกิดขึ้นได้ยากเพราะนั้นท่านจึงนำ เ, เมตตาในพรหมวิหารมาตอกยำ้ำ มาสั่งสอนมาแนะนำให้ฝึกปรืออบรมให้เจริญเมตตาเพราะเมตตานั้นจะมองคนมองสัตว์เป็นสากลซึ่งผิดกับลักษณะของสักกายติจิสักกายติสิมันมองแยกแล้วก็ไปยึดติดอยู่ในเรากับของเราแม้แต่พวกความเห็นอะไรต่างๆให้ท่านทั้งหลายลองสังเกตว่า มันสืบเนื่องมาจากสกิยะทิจินั่นเองที่ใช้ตัวเองเป็นฐานในการตัดสินที่ผิดชีช้ถูกตัดสินดีตัดสินชั่วงคนอื่นไปหมดเลยมันก็เกิดขึ้นมาจากความเห็นว่าเราเป็นตัวเป็นตนของเราแล้วก็เราก็จักจะใหญ่ขึ้นเรื่อยเรเราจักจะสําคัญขึ้นเรื่อยเรเราจักจะเก่งกว่าคนอื่นเลยก็กลายเป็นผู้พากษามหมดทั้งสามสานไปเลยเพราะฉะกิเลสตัวนี้จึงกลายเป็นกิเลสที่ใหญ่มาก เราก็ยากที่จะขจัดเขาได้อย่างสิ้นเชิงจริงๆเพราะถ้าถอนได้จริงๆนะฮะเราก็เป็นพระอรหันไปแล้วเรียกอัตตาณุจิติคือความเห็นว่าเป็นของเราความเห็นว่าเป็นเราเป็นัวเป็นตรงของเราเนี่ยแต่เราถอนได้ครบมันก็เป็นพระอรหันไปแล้วการเจริญเมตตามันก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะลดความรู้สึก เป็นเราเป็นเขาลงไปจะน้อ ย, ยก็กระจายความรู้สึกว่าเป็นเราก็พวกเราเป็นสเปสัตาเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันอย่างที่มีการสวดสารยดายเพื่จะเห็นว่ากรรมาฐานข้อนี้มันก็ไปแก้ไปแก้ตัวสักยัติจิตแล้วแก้ความรู้สึกเป็นเขาะ แกความรู้สึกเป็นเขาเป็นก่อนแต่ว่าปัญญาเี่มันเกิดขึ้นมันจะทำหน้าที่ขจัดความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาโดยลองสังเกตดูว่าความรู้สึกที่เป็นเมตตาถ้าเราแผ่ไปได้เรื่อยๆไอ้ความเป็นเขามันลดลงไอ้เขาที่เคยเป็นเขามันก็กลายเป็นพวกเราเป็นเพื่อนเราเป็นญาติพี่น้องของเราพรมชาติของเราร่วมรุ่เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันของเราอะไรก็แล้วแต่จะขยายออกไปได้ขนาดน แต่สรุปว่าความเห็นเป็นไหนที่ตัวทีอตนมันลดลงเป็นตัวเป็นตนลดลงแล้วก็เป็นสเพสตาตาก็สูงขึ้นได้เด็ดๆอีกแน่หนึ่งก็คือแนวของสุภาพกรรมฐานและนั้นคือแนวเป็นเราเป็นเรากับพวกเรามีความเราจะยึดติดในแนวเรากับพวกเรือกาหนดว่าหน้าใครหน้าปรารถนาน่าพอใจสักยะมันก็มาเกาะติดอยู่ที่เรา แล้ความเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้คนก็เราเป็นอย่างนั้นคนก็เราเป็นอย่างนี้พวกขอเราคนนั้นสวยคนนั้นงามคนนั้นน่าใคร่น่าปรารถนาน้าพอใจแล้วก็มีประการปรารถนาไขว่ค้าในการยึดติ ด, ดแล้วก็ผูกมัดรัดรึงใจอยู่กับบุคคลกับอารมณ์เหล่านั้นเพราะด้าษศานาใจที่ไขว่คว้าเนี่ยก็จะพบว่ามันเกิดขึ้นจากใจเราไปกำหนดอารมณ์ คำว่าอารมณ์ในที่นี้คือสิ่งที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสว่าน้าคลายน้าปราถนาหน้าพอใจมันก็ดึงก็ามาเป็นของเรามันก็เป็นแนวของของตันหาที่เราเรียกว่ายึดถือเรื่องหน้าของตันหาเพราะนั้นเป็นของเราแต่ทีนี้ถ้าเรามองเราพิจารณาไปให้เห็นว่า อย่างเช่นพวกการเจริญกายกตาสติหรืออสุภกรรมฐานที่มองดูที่กายเราหรือกายคนอื่นก็ตามก็ดูไปดูมาก็จริงแล้วกายเรามันก็ไม่ได้สวยไม่ได่งามเป็นโรคณิสทังคือเป็นรังของโรคเป็นประพังกุนังคือเปื่อยเน่าจริงๆมันก็เปือยหน้ากัานออกมาเรื่อยๆก็ดีที่มีการชำระศาสน า, สามีการ สีมีการฟอกล้างมีการชำระกันอยู่ความเปื่อยหน้าเหล่านั้นมันก็ลดอาการลงไปเพราะในการกำหนดว่าสวยว่างามเนี่ยล้วก็มามองดูไปเรื่อยสิ่ง ท, ที่ท่านสอนให้มองดูที่ตนนี้อุประขันห้าเล่มก็คือดูผมนกนและผนัง อางพระที่บวชใหม่เนี่ก็สอนให้ดูที่ผมคนคนัพันนั่งซึ่งใจจะไปกําหนดว่าหน้าใครหน้าปรารถนาหน้าพอใจให้เราสังเกตที่เราโฆษณาประชาสัมพันธ์เราน้มนา้าจิตใจเป็นความสวยงามมันก็ดูกันตรงนี้เองดูผมคนคนัพันนั่งแต่ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็จะเห็นว่าการพยายามที่จะปรุงแต่งสิ่งเหล่านี้ ที่ปรุงแต่งที่จะพยายามขัดสีพยายามที่จะบรรเทาความผิดปกติของสิ่งเหล่านี้มันก็ไปดูที่ผมคนได้พันดังอีกพัญญาที่โฆษณากันทั้งหลายทั้งสือพิมพ์ทั้งโทรทัศน์ทั้งวิทยุทั้งอะไรก็ตามมันก็เกี่ยวกับผมคนได้พันดนงจะบำบัดในความปฏิกูลของสิ่งเหล่านี้ความบกพร่องของสิ่งเหล่านี้ตรลงว่ามันก็มีการขัดแย้งกันอยู่ในตัว ในขณะที่เชิญชวนให้เห็นว่าเป็นของสวยงามน่าค่ายน่าปรารถนาน่าพอใจก็มีการโฆษณาอีกแนวหนึ่งที่บอกเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของปฏิกูลเพราะฉะนั้นถ้าเรามองให้เห็นเป็นของปฏิกูลได้เท่าไหร่เนี่ยไอ้ใจที่ไปยึดถือของเราของเราของเรามันจะลดลงไปหมายความเป็ยังไงหมายความไอ้สักการที่ติเองก็จะลดต o w n และแนวหนึ่งก็คือแนวของมอนัสสติโดยการเน้นย้ำให้บุคคลระลึกถึงความตายที่จะเกิดขึ้นแก่ชีวิตเมื่อไหรที่ไหนอย่างไรโดยวิธีใดก็ได้แตเราก็ไม่รู้ที่เราพูดกันว่าเห็นกันลัดหลั ด, ลดแล้วก็มาพราดพลาดจากไปแต่อย่างนั้นจึงกลายเป็นอุบายวิธีทุกข้อเนี่ยให้ลองสังเกตว่าเป็นอุบายวิธี ที่จะไปลดพวกกิเลสประเภทนี้กิเลสประเภทที่รู้สึกว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ความที่มีตัวตนเนี่ยจึงมีของเราถ้าไม่มีตัวตนเป็นที่ตั้งเนี่ยมันไม่มีอะไรมาเพิ่มสมมุติว่าเราไม่มีบ้านไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งได้จะหาอะไรมาเก็บไว้ภายในบ้านมันก็ไม่มีเพราะว่าบ้านของเรามันยังไม่มีมันต้องมีบ้านของเราไปก่อน และจึงจะเอาเฟอร์นิเจอร์จะเอาเครื่องประดับจะเอานาฬิกาจะเอาอะไรอะไรามาใส่ในคำว่าบ้านของเราวัตถุของสัตวกายทิฐิจึงกลายเป็นจุดใหญ่เดินกระจายออกไปได้เรื่อยๆแม้แต่เรื่องสันโดษไม่สันโดษเรื่องฆ่าสัตว์ลักทรัพย์อะไรอะไรที่จริงมันก็เกี่ยวกับเรากับของเรา แมวเหล่านี้ที่เราพูดสรุปรวมอีกทีหนึ่งว่าเห็นแก่ตัวการเห็นแก่ตัวก็เพราะเรารู้สึกว่าเรามีตัวมีตัวมีตนที่จะต้องปรนปรือจะต้องดูแลจะต้องเอาใจใส่แล้วก็ตัวตนเราชักจะสําคัญเกิดมาเรื่อยๆ เ, เพราะในกิเลสประเภทโลภะประเภทโทสะมันก็สืบเนื่องมาจากคราวนี้ใคยขัดขวางตัวตนของเราหรือความเป็นของเรา เราก็ไม่พอใจมีการต่อสู้มีการทำลายร่างกันใครตอบสนองความต้องการของเราคือให้รู้สึกว่าเราใหญ่เราโตเรามีทักษสมบัติเหล่านั้นเราก็ชื่นชมสิ่งเหล่านั้นเพราะงั้นใจมันก็กลับเข้ามาที่เดิมอย่างที่ทรงแสดงไว้นี่ว่ายินดีนยินได้เรือพิชชาความเพ่งเล็งโลภอยากได้โทมนัสความ ขัดเครื่องความไม่พอใจความงุนงงความรําคาญที่เกิดขึ้นจากอารมณ์ทั้งหลายตอนนี้ตอนนั้นมาก็สืบเนื่องมาจากสักกายะคือความเป็นตัวเป็นตนกิเลสประเภทนี้จึงเป็นกิเลสประเภทโมฆะหมายความว่าการจะลดการจะละลงไปนั้นก็ค่อยๆขูดกราวลงไปทีเดีย แต่คนที่จะตัดได้ขาดในรูปนี้ในคุณลักษณะอย่างนี้จะต้องเป็นพระโสดาบันขึ้นไปแต่พระงั้นแนวสินธรรมจริยานั้นก็คือแนวที่จะลดพวกนี้ลงไปก็เป็นการยอมรับยอมรับตอนแรกมันก็ยอมรับมีตัวมีตน น, นั่นแหละดีก็มีเรามีเขาแต่ยอมรับสิทธิ้ในชีวิตของเขายอมรับ ยอมรับสิทธิในทรัพย์สินของเขายอมรับสิทธิในคู่ครองของเขายอมรับสิทธิในการที่จะฟังข่าวสารที่เป็นจริงของเขา mm. ก็ตามหลักของศีลท่้ว้ประแกันและถ้าเรามองมองดูที่ทานท่านสาธาชนทั้งหลายเจนว่าในการที่เราให้ทานได้นั้นเนี่ยเราก็ต้องมีความรู้สึกว่าเป็นพวกเราเป็นอย่างน้อยโนะือถ้าเขาแล้วเรายังไม่ให้อแต่เราไม่ชอบ ไอความเป็นขาวแล้วเรายังไม่ให้ให้กิเลสมันก็ลดลงไปอย่างที่เคยกล่าวไว้อยู่เสมอว่าธรรมะในภาคปฏิบัติไม่มากหรอกที่มากที่ต้องจําจะต้องท่องจะต้องเข้าใจต้องหาความเข้าใจมันธรรมะระดับปริยัติเวลาปฏิบัติเนี่ยเขาจะเพิ่มพื้เพิ่มพูนเขาเองคล้ายๆกับแม่เหล็กมีอันเดียวที่จะดูดเหล็กเข้ามาเยอะๆไปหมดเลย ปกุศลธรรมทั้งหลายก็จะมีรับประทานจากกันเพราะั้นเวลาปฏิบัติเนี่ยอย่าไปติดใจในรูปแบบเราจะต้องใช้วิธีนั้นวิธีนี้วิธีโน้นมันวิธีที่เรียกว่าธรรมสัปปายะคืออะไรที่เราทําแล้วสบายเราทําแล้วธรรมะมันเพิ่มขึ้นความสงบเพิ่มขึ้นความเยือกเกย็นเพิ่มเพิ่มขึ้นกิเลสมันลดลงไป เราก็ใช้วิธีนั้นเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติทีนี้ถ้าหากว่าปฏิบัติอย่างไรก็ตามที่ว่าปฏิบัติไปแล้วกิเลสมันอาจจะลดในส่วนหนึ่งแต่ไปเพิ่มอีส่วนหนึ่งไอ้ น, นี้เป็นเป็นเรื่องสําคัญคล้ายๆกับเรารักษาโรคหม้ความม่าฆ่าจัดโรคตรงหนึ่งได้จริงแต่ว่ามีโรคแทรกซ้อนแล้วค่อนข้างแรงกว่าโรคเดิมอีก นี้แสดงว่ารักษาม่มีปัญหาแล้วเพราะงันการว่าบาคีเลตมันก็มีแนวนั้นคือหมายความว่ากิเลสที่ลดมันก็ต้องลดไปอย่างอื่นด้วยกิเลสอย่างอื่นต้องลดตามไปด้วยข้อนี้ให้ลองสังเกตดูสมมติว่าเราปัญญาตัวเดียวเนี่ยสมมติเรามีปัญญาอยู่ตัวเดียวปัญญาที่จริงมันแค่จัดกิเลสประเภทโมฆะคือกิเลสประเภทหลงตัวตรงข้ามกับเขากิเลสประเภทหลง แต่เพราะเรามีปัญญาเนี่ยสมมติว่าใครก็ทำให้เราโกรธปัญญามันเกิดขึ้นพิพนิจพิจารณาถึงการกระทำของคนนั้นว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะไม่ควรแต่ความโกรธก็ก็เป็นโทษ ม, ม, มีความร้อนร้อนมีความรุนแรงเมือนผู้ผรานผู้ทำลายแล้วเราก็ไม่โกรธตอบมันเรื่องอะไรที่เราจะไม่ดีอย่างที่เขาด้วยอย่างที่เขาไป็ น, นไม่ดีด้วย แล้วก็ไม่ดา่าตอบผู้ดา่าไม่โกรธตอบผู้โกรธไม่ประหารตอบผู้ประหารไม่ประทุษร้ายตอบผู้ประทุษร้ายปัญญาก็เข้าไปขจัดกิเลสประเภทโทสะได้ทีนี้กิเลสประเภทโลภะมันก็มีอย่างนั้นนี่ยมาความเราก็ปัญญาเกิดขึ้นสมมุติว่าเราไปพบทรัพย์สินที่เขาทำให้ตกหล่นออกไว้ราคาแพงๆมากๆเลยนะแต่ว่าปัญญาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาคุ้มครองตัวเองก็มองเห็นว่า เจ้าของคงเผื่อคงทํางานมาด้วยความเหนื่อยยากลําบากแล้วมันลืมของเอาไว้ถ้าก็มันหายไปเขาก็คงย่ําแย่มากๆก็คิดแต่จะทํำยังไงมาเอาเงินนี่ไปช่วยไปไปบอกกล่าวเจ้าของเขาให้รู้หรือไปคืนเจ้าของเขาให้ได้เพราะแตาไปงั้นแล้วขเขาจะเดือดร้อนมากแต่อาจจะเป็นเงินที่หยิบยืมมาหรืออาจจะเป็นเงินที่เขารับผิดชอบแต่เราเองเราไม่คิดจะจะเอา พระปัญญาพิจารณาเห็นถึงโทษในการลักทรัพย์พรทรัพย์ที่เรารักได้มาโดยวิธีไหนก็ตามนะมันมีค่าจํากัดกี่แสนกี่ล้านก็มีค่าเท่านั้นนะแล้วก็ให้ความสุขเฉพาะในปัจจุบันแล้วก็นําความทุกข์มาให้ในปัจจุบันด้วยแล้วผลบาปที่เกิดขึ้นจากการกระทําเช่นนั้นมันจะติดตามเราไปเบื้องเงาที่ติดตามตนไปตรงนี้ท่านสาธชนต่างหาเห็นว่าความคิดมันปัญญาตัวเดียว แต่พอก็เกิดขึ้นขจัดได้ทั้งโมหะทั้งโทสะทั้งโลภะหรื อ, อย่ายังยกตัวอย่างข้ออื่นๆจะมีแนวนั้นเช่นสมมติว่าศรัทธาเนี่ยศรัทธาเวลาเกิดขึ้นเนี่ย mm hmm. ก็ไปขจัดความไม่เชื่อแล้วเขาก็ขจัดความสงสัยพอคนเราไม่สงสัยแล้วเนี่ยไม่สสใจในพระพุทธเจ้าประธรรมประสงให้ใจติขาดแล้ว ก็พร้อมที่จะให้ฐานก็แสดงกาจัดโลภะได้ก็จัดมัจจริยะคือความสนิทได้ก็พร้อมที่จะให้อภัยพร้อมที่จะไม่โกรธใครก็หมายความว่าศรัทธานั้นไปขจัดที่ตัวโทสะตกลงว่าศรัทธาเอมันขจัดได้ทั้งโทสะโลภะโทสะโมฆะธรรมะจะมีลักษณะอย่างนั้นทั้งหมดขอให้ตรวจ ด, ดูก็ได้แั่ มันทำนองใกล้ๆกับความเย็นหรือใล้ๆกับอาหารหรือคล้ๆกับยาที่เรารับประทานเข้าไปหรือวทำหน้าที่ยังก็หลายๆอย่างถ้าเป็นยาที่มีคุณภาพจริงๆเพราะงั้นในแนวของการมันเป็นภาวนาประเด็นสำคัญอยู่ที่การจับหัวข้อในการภาวนาไว้ให้ได้ ตรวจสอบดูองค์ธรรมเหล่านั้นที่เรานิยมใช้ภาวนาพุโทโธกันมากนั้นก็เพราะว่ามันมีลักษณะของกรรมฐานที่ปนกันคือพุโทโธเป็นผู้ทานนิติแต่ว่าไปสัมพันธ์กันลมหายใจเข้าออกก็เป็นอาณาปานสติก็ช่วยกันทำนองคล้ายๆกับสองแรงแข็งขันจิตใจเราไปยึดมั่นอยู่ในพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้า เราดูมาเชื่อมโยงไว้กับลมหายใจเข้าออกเป็นกรรมฐานที่เรียกว่าเป็นพวกอนุสติแล้วก็เป็นพวกอนาปานัตติตอนนี้ไปก็พอให้ตั้งใจทำความสงบสืด ต, ต่อไป